มีพระที่กรุงเทพเขาเล่าให้ฟังนะวันหนึ่งก็มีโยมานิมนต์ไปทำบุญเลี้ยงพระในสำนักงานของเขานะเขาก็แต่งตัวดีเลยนะมานิมนต์แล้วก็กำหนดวันเสร็จพอถึงวันที่กำหนดนัดหมายเขาก็มา พร้อมกับรถตู้แล้วก็นิมนต์พระไปเต็มอัตราเลยนะเก้ารูปเพื่อไปทำบุญสำนัก ง, งานเขาก็พอถึงกลางทางเขาก็บอกกับเจ้าวาดว่าอยากจะขอลงรถสักหน่อยนะเพื่อไปซื้อสังฆทาน จะไปซื้อเครื่องสังกธทานมาถวายพระในงานเพราะว่าในงานเนี่ยปกติพอเลี้ยงพระสร็ก็จะมีการถวายเครื่องสังกธทาน <c oughs> เขาก็ <c oughs> ลงไปแล้วก็เขา้าไปในตอกซอกซอยนะหายไปสักพักสิบนาที <c oughs> เขาก็ออกมาแล้วก็บอกว่ามีปัญหาคือว่าเขาลืมกระเป๋าเงินนะเพราะฉะนั้นก็ ซื้อไม่ได้นะแต่ว่าอยากจะขอยืมเงินพระก่อนพระก็ท่านก็เห็นว่าเออเดี๋ยวไงก็ต้องไปยังไงก็ไปที่สำนักงานที่จัดงานอยู่แล้วนะเดี๋ยวก็คอยไปเดี๋ยวเจ้าของเจ้าภาพคงจะคืนเงินแหละก็เลยรวบรวมเงินกันได้ประมาณเจ0ดบาทนะแล้วก็ให้ ชายหนุ่มคนนั้นไปชายหนุ่มคนนั้นไปก็ก็อย่างที่เราเดาออกนะคือหายไปเลยนะจนใกล้เกือบจะเวลาเพลงแล้วใกล้เวลางานแล้วก็ยังไม่มาก็เลยถามคนขับรถว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนคนขับรถบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุยไปคุยมาก็ได้ความว่าคนขับรถนั่นก็รถตู้นะก็ถูกจ้างมาเหมือนกันเขาก็ไม่รู้ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชายหนุ่มคนนั้นนะก็เป็นนว่าถูกหลอกทั้งพระทั้งทั้งคนขับรถรถตู้นะแต่ว่าผู้ชายนั้นก็ได้ไปเจ็ดพันนะนะอีกลายหนึ่งนะนอีกวันหนึ่งเขาก็เล่ากำลังทำงานอยู่ที่สำนัก ง, งานในวัดนะในกรุงเทพ ประมาณสักสองทุ่มก็มีชายผู้หนึ่งเดินขากระเพกมาแล้วก็ตามที่ขานี่ก็มีเลือดไหลก็บอกว่าเขาถูกลดชนนะไม่มีเงินไปโรงพยาบาลก็ขอให้พระช่วยสงเคราะห์หน่อยพระก็เห็นแล้วน่าสงสารนะก็เลยรวบรวมเงินกันได้ประมาณสักสามสี่ร้อยแล้วก็เรียกรถ มอเตอร์ไซค์ให้ด้วยนะแล้วก็บอกว่าช่วยพาผู้ชายคนนี้ไปโรงพยาบาลหน่อยก็พอไปพักใหญ่นะก็สังเกตว่าทำไมเลือดมันมันแดงนะแล้วมันก็ไม่มันไม่มีกลิ่นคาวเลยพอล้างไปสักพอเอาอะไรมาเช็ดถูก็พราบว่ามันเป็นยาแดงนะยาแดง เขาแกล้งมาเป็นคนป่วยนะประสบอุัติเหตุเพื่อที่จะมาหลอกถถ่เงินพระเดี๋ยวนี้เป็นพระก็ไม่ได้ปลอดภัยนะแล้วก็พวกมิจฉาชีพหรือสิบแปดมงกุฎก็มาหลอกถถ่เงินจากพระนี่ไม่น้อยเลยแต่นี่ยังเสียไม่มากนะแค่สามสี่ร้อยบาทหรือว่าแค่เจ็ดพันบาท บางรายนี่โดนหลอกไปเป็นแสนก็มนะีอ้างว่าจะวิ่งเต้นให้เรื่องอเรื่องสร้างโบสถ์หรือว่าจะหาเงินจากสำนัก ง, งานพุทธมาสนับสนุนการสร้างวิหารแต่ว่าขอเงินค่าวิ่งเต้นขอเงินเป็นแสนเลยนะเพื่อเป็นค่าวิ่งเต้นซึ่งพระท่านก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่า เขาอ้างว่าเนี่ยจะสามารถจะของประมาณจากกรมศาสนาหรือสำนัก ง, งานพุทธได้เป็นล้านพนระเราบางทีก็ชอบทางรัฐนะก็เลยเสียไปเป็นแสนแล้วก็ศูนย์ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีต้องระมัดระวังเมื่อเรื่องมิชาชีพแต่ว่าสิ่งที่ น่าสนใจคือว่าการการปลอมมาเป็นคนป่วยเนี่ยอันนี้นี่มันบาปมากเลยนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเวลาเราเห็นคนที่ประสบอุบัติเหตุมาหาเนี่ยคนที่เคยเจอประสบการณ์นี้หรือว่าได้ข่าวเรื่องพวกนี้ก็จะไม่ค่อยกล้าไม่อยากจะช่วยคนที่ประสบเหตุก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดเขาประสบเหตุจริงๆนี่ก็เรียกว่า ถูกทอดทิ้งไปเลยอาตมานึกถึงสมัยนักเรียนเนี่ยได้เคยอ่านนิทานเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเป็นนิทานที่มีท้องเรื่องอยู่ในทะเลทรายในในเขตแถวประเทศอาหรับนะก็พระเอกนี่เขาก็ต้องเดินทางข้ามทะเลทรายผู้ลายนี่เมันก็พยายามหาทางที่จะ กันแกล้งพระเอกนะก็เลยมาแกล้งเป็นคนป่วยเป็นพวกที่เรียกว่าหลงทางในทะเลทรายไม่มีน้ำไม่มีอาหารพอพระเอกเห็นเนี่ยก็หยุดขบวนนะมีขบวนยาวแล้วก็หยุดหยุดเพื่ออะไรเพื่อจะช่วยคนที่กำลังหลงทางเพราะว่า ถ้าไม่ช่วยเขาก็มีสิทธิ์ตายได้แต่พอลงไปช่วยแล้วเขาก็เอามีดจี้นะแล้วก็เรียกเอาทรัพย์สมบัติจำนวนมากจากพระเอกพระเอกนี่ก็ก็ยอมนะไม่เสียดายแต่ก็ฝากฝากข้อคิดให้กับผู้ร้ายคนนี้ว่าถ้าหากว่าเขา กลับไปถึงในเมืองเนี่ยขอร้องอย่างหนึ่งนะอย่าไปบอกว่าเขาได้เงินได้ทรัพย์สมบัติมาด้วยวิธีไหนเพราะถ้าเขาไปบอกว่าได้มาด้วยวิธีการปลอมเป็นคนที่หลงทางอยู่ในทะเลทรายต่อไปเนี่ยเวลาผู้คนเนี่ยเจอคนหลงทางในทะเลทรายเขาจะไม่กล้าช่วยเพราะเขานึกว่าเป็นโจร มันก็จะกลายเป็นการสร้างบาปกรรมให้กับคนที่ประสบเคราะห์เขาก็แค่ขอร้องโจรแค่เนี้ยนะขอร้องพูดร้ายว่าอย่าไปบอกความจริงว่าได้เงินมาด้วยวิธีใดเพราะมันจะทำให้คนไม่กล้าช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอีกเนะนี่ย น, นี่ก็เรียกว่าเป็นเป็นน้ำใจนะของตัวเอกในเรื่องนี้คือว่า เสียดายของฉันก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าอย่าให้คนอื่นต้องคลอยพอลอยรับเคราะห์ด้วยคือนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นนึกถึงประโยชน์ของคนที่จะต้องเกิดพัดหลงในทะเลทรายเขาก็จะได้รับความช่วยเหลือต่อไปไอ้ mm hmm. ทรัพย์สมบัติของฉัน mm hmm. ฉันไม่เสียดายนะแต่ว่าฉันนึกถึงคนอื่นมากกว่าอันนี้ก็เป็นเป็นบทเรียนที่อาตมาก็จํามาตลอดนะว่าโอ้เขานี่ คิดการไกลมากนะนเวลาเราเจอเวลาเราเจอคนที่ปลอมตัวมาเป็นคนป่วยแล้วก็มาหลอกเอาเงินจากเรานะถึงแม้ว่าเราจะใจอ่อนยอมให้เขาไปนะแต่ว่าก็อาจจะบอกเขาเราก็ไม่แน่ใจว่าคนที่มาเอาเงินเราเนี่ยนะมาของเงินเรานี่เขาเป็น คนป่วยจริงหรือเปล่าตกทุกข์ได้ยากจริงหรือเปล่าแต่เราถ้าเราไม่แน่ใจและเราอยากจะเผื่อเอาไว้ก่อนว่าเออจะเกิดเป็นคนที่ลําบากจริงๆริงเขาก็จะได้มีที่พึ่งเมื่อคิดแบบนี้เราก็ให้เงินเข้าไปแต่ขณะเดียวกันก็บอกเขาด้วยว่าถ้าหาว่าเขาเป็นมิจฉาชีพนี่ก็อย่าทําอย่างนี้ต่อไปเพราะว่า มันจะทำให้คนอื่นเนี่ยซึ่งเป็นพลเมืองดีมีใจบุญใจกุศลต่อไปจะไม่กล้าช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะแล้วก็บาปกรรมก็จะไปตกอยู่กับเขาเพราะว่าจะเกิดคนที่ตกทุกข์ได้ยากนี่มาขอความช่วยเหลือใครแล้วไม่มีใครช่วยเพราะกลัวว่าจะถูกหลอกนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นบาปกรรมที่เกิดจากผู้มิจฉาชีพที่มาหลอก โดยปลอมตัวเป็นคนที่ลำบากเดือดร้อนจากขณะเดียวกันถ้าหากว่าเรามาพบว่าคนที่เข้ามาเอาเงินเราไปนี่เขาโกงเขาปลอมตัวมาเราก็อย่าไปคิดว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยากจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนะหรือว่าคนที่จะมาของเงินเราจะต้องเป็นผู้มิจฉาชีพเสมอไปอย่าให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาทําให้เราเสื่อมศรัทธา คนทั้งโลกนะเพราะว่าคนอนื่นๆที่เขาเดือดร้อนก็มีอยู่เราอย่าให้คนคนเดียวซึ่งอาจจะเป็นคนไม่ดีนี่มาทำให้เราขาดเมตตาธรรมกับคนที่เหลือทั้งโลกนะอันนี้มันก็จะไม่ยุติธรรมก็ต้องหนักแน่นมั่นคงไว้นะเพราะว่าการช่วยเหลือใครนี่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราช่วยไปมันจะ มันจะเป็นการช่วยเขาจริงหรือเปล่าหมายถึงหมายถึงว่าเขาจะเดือดร้อนจริงหรือเปล่านะแต่ว่าแม้เราจะถูกเขาหลอกก็ก็อย่าเสื่อมศรัทธานะในการทำความดีก็ตั้งหนั่งตาทำความดีเรื่อยไปนะเป็นพระแม่อยากจะมีคนมาหลอกเอาเงินนะว่าเป็นคนป่วยนะแต่ก็อย่าไปคิดว่าคนที่เขามาข อ, อาความช่วยเหลือจากเราทุกคนจะเป็นอย่างนั้น คนต่อไปก็อาจจะเป็นคนที่เดือดร้อนจริงก็ได้แล้วก็ต้องช่วยเขาเพราะม่งานเขาก็ไม่รู้จะหาที่พึ่งจากใครแต่เราก็ต้องฉลาดที่จะตรวจสอบให้แน่ว่าเขาเป็นวิชาชีพจริงหรือเปล่าหรือถ้าไม่แน่ใจก็ต้องสอนเขาว่าถ้าเขาเป็นวิชาชีพก็อย่าทําอย่างนี้อีกนะถือว่าให้เป็นการกระทําครั้งสุดท้ายเพราะไม่งั้นนี่มันจะเป็นการสร้างบาป ส, สร้างกรรมให้กับคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่หลอกไม่ใช่แค่ผิดศีล อ่ข้อ2หรือข้อ4เท่านั้นนะแต่ว่ามันจะผิดศีลข้ออื่นด้วยพูดให้เขาคิดนะเผื่อว่าเขาจะได้อ่ปรับอ่เปลี่ยนใจนปรับตัวปรับใจได้